ธรรมก็คือความความความเป็นจริงนะธรรมะในะแง่หนึงน่งแต่ว่าธรรมชาตินะหรือเป็นกฎของธรรมชาติก็คือความจริงรนะั่นแหละะธรรมะนี้มีมาก่อนอพนรนะพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก่อนยุคพระเจ้าอังประสูตรนะปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าพุฑชัยยันตีสำบันถึงร้อยปี เป็นปีที่เจ้าเหาชนะของพระพุทธเจ้านะท่านชนะอะไรชนะความไม่รู้นะชนะความหลงชนะอวิชชาเนะมื่อสองพันหกร้อยปีที่แล้วนะท่านมีวิชานะเรียกว่าชนะอวิชชาได้ก็เลยเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานะท่านสอนผู้อื่นต่อถ้าก็เลยกลายเป็นเรียกว่าสัมมาสัม พ, พุทธเจ้า คือเป็นพระพุทธเจ้าที่มีมีสาวกหรือว่ามีผู้ที่รู้ตามท่านพวกเราเรียกว่าสมาชพะพุทธเจ้าเกิดมีประสงค์ขึ้นมาเริ่มแรกจะมีอะไรจะมีพระธรรมก่อนนะธรรมะนี่มีมีอยู่ตลอดกาลนานนะจะมีผู้เจ้ามามาประสูริฐหไม่ก็ยังมีธรรมะอยู่นะตลอดไป พระพุทธเจ้าปริทเียานไปธรรมะก็ยังอยู่นะแต่พอมีธรรมะแล้ว้ง น, นี้มีผู้รู้ตามนะเริ่อจากการคนพบเองก็คือพระพุทธเจ้ามนาะสอนผู้อื่นจนรู้ตามแล้วก็เลยเรียกว่าเป็นศาสมาพระพุทธเจ้านะปีนี้ก็สองพันหกร้อยปีที่ที่พระพุทธเจ้าทั้งตัดสรู้แล้วก็สอนนะพวกเรานะตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงปัจจุบันเนี่ยนะ ก็ยังมีคำสังสรรค์งท่านที่ปรากฏแล้วก็พวกเราก็ได้สวดมนต์ทำบัตรนี่ก็คือคําสังสอนของพระพุทธเจ้านะสรื่องรัตน์อะไที่ท่านตัดไว้ให้พวกเราได้เริ่มถือว่าอะไรคือความจริงนะธรรมะคือความจริงความจริงที่เป็นไปของสาสารวัตรนะหรือความจริงที่เป็นไปของของทุกสรรพชีวิตนะความจริงที่แท้ที่สุดคืออะไร ก็คือความทุกข์นี่แหละเป็นความจริงนะความจริงที่ยิ่งใหญ่คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีสภาวะที่เรียกว่าทนทุกข์นะทุกข์ในที่นี้คือมันไม่สามารถทนอยู่ในอาการเดิมได้ทุกข์ที่มันทนอยู่ในอาการเดิมไม่ได้นเรียกว่าเป็นความทุกข์ทุกสรรพสิ่งนะมีความทุกข์เป็นธรรมดาการเรียนรู้ความทุกข์นี่ ก็มีเรียนรู้ได้จากไรน์ายติแต่ผู้พุทธองค์ท่านให้กลับมาเราเรียนรู้เรื่องความทุกข์ที่อยู่ในการยในใจเนี่แหละกายนี้มันมีความทุกข์อย่างไรใจนี้มีความทุกข์อย่างไรเรามาเรียนรู้ความทุกข์ที่กายที่ใจที่คิดว่าเป็นของเราเนี่ยแหละนะดูซิว่ามันมีความทุกข์อะไรบ้างกายมีความทุกข์แบบไหนนะเราก็คงรู้จักเนาะ ควาเกิดก็เป็นทุกข์เป <c> ็นทุกข์นะบางทีแล้วจะบางทีมีเด็กเกิดใหม่นะเราก็จะดีดไอดโอได้ลูกได้หลานขึ้นมาด้วยนะเป็นความสุขนะความสุขก็เห็นว่าเด็กเล็กๆเขาน่ารักน่าเอ็นดูน่าทุกข์ทนนองนะแต่จริงก็เกิดขึ้นมาก็ร้องไายนะทําไมเลาถึงร้องไหายพาทุกข์ก็นล้วนะโดนหมอโดนพยาบาลตบก้นแล้ก็ร้องไายเสียงดัง ก็ปวดเตโตมาถึงพวกเราขนาดนี้เนาะเราก็เป็นพระล o m b ก่อนไมตรู้ร้องไน้กี่คนเนาะอืม้องไห้หกี่คนปวดเติโตขนาดนี้ต้องไห้เพราะอะไรการเดินก็เป็นทุกข์เวลาเจ็บก็เป็นทุกข์เวลาแก่จะอายคนก็เริ่มแก่มากนะเขาเห็นแล้วมันทุกข์มากจริงๆนะปวดแข้งปวดขาปวดเอวเก็บไข้ได้รวยก็เป็นทุกข์ นะแล้วก็ชีวิตของเราจริงมันมีความทุกข์ที่ไม่ได้เนื่องด้วยกายกี่เท่าไหร่ก็เยอะนะเช่นเราไม่อยากจะได้อะไรแต่มันกลับได้สิ่งนั้นนะคือได้สิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจนะหรือพัดพาดจากสิ่งที่รักที่พอใจพ่อตายแม่ตายแฟนตายนะหรือว่าทับสมบัติพัดพาดไป จากน้ำร่วมบ้างจากอของหายโดนขโมยบ้างหรือว่าจากเรียกว่าหมดสภาพของมันเองบ้างนะอันนี้ก็คือพัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นอะอันนี้ความพุกขทีม่มีหลายอย่างมากแต่ท่านบอกว่าว่าโดยย่อแล้วอุปทานคือความยึดมัน่นคือมัน่นในขันทั้งห้าเนี่ย คือความทุกข์นะว่าเด ย, ยอด่อแล้วนะคือการที่เรายึดมัน่นคือมัน่นในอะไรก็แล้วแต่นำมาพึงความทุกข์ทั้งนั้นนะใช่ไหมเหมือนที่เราสอนเมื่อกี้เรื่องบทที่เรียกว่าทีวทูดมันะต้อบอกว่าถ้าใครเห็นใครมีความยึดมัน่นคือมันม่นเมื่อนั้นจะถอนอุปทานอารลงเสียได้เมื่อถอนอุปทานได้ก็ไม่ทุกเนี่ยอันนั้นเราต้องมาศึกษาธรรมะก็คือศึกษาให้เห็นภัยว่า การยึดมั่นถึงมั่นนี่นำมาสร้าความทุกข์แบบไหนบ้างให้ทิ้ยึดมั่นถึงมั่นนี่มีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนาะภายนอกนี่ยึดมั่นถึงมัน่นส่วนใหญ่ก็ไม่งานก็ก็จะทําใจได้นะหลายคนเช่นยา่าเราเสียพ่อตายแม่ตายหรือว่าลูกตายนะก็เศ้าโศกเสียใจในระยะหนึ่งเนา ะ, ะระยะหนึ่งขึ้นกับว่าทําใจใได้ขนาดไหนแต่สุดท้ายก็ มีวันที่จะหายไปมีวันที่จะทําใจได้นะแต่คราวนี้สิ่งที่มันยึดมั่นถึงมั่นมากที่สุดคือตัวของเราเองเนี่แหละนะกายของเราเนี่ยแหละใจของเรานี่ยแหละที่ยึดมั่นถือมั่นไม่เปลี่ยนแปลนะ่ะกายนี้เราก็เห็นว่าเป็นของเรานะเห็นว่าเราเกิดขึ้นมาเห็นว่าเราโตขึ้นมาเห็นว่าเราแก่ เห็นว่าเราเจ็บเห็นว่าเราตายคือมีความเป็นเราอยู่ในพัฒนา ร, ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอนะแต่ถ้านะที่จริงผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่เข้าใจธรรมนะเนาะก็จะเห็นจริงว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันมีแต่อาการนะแต่ไม่มีประธานนะไม่มีประธานคือไม่มีเรานะไม่มีใครไม่มีฉันก็ เ, เป็นประธานในในความ เกิดนั้นในความแก่นั้นในความเจ็บนั้นในความตายนั้นมันมีแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นกิริยาแล้วก็กรรมนะไม่มีประธานนะครับประโยคแล้วก็เป็นวันนันะมันจะเห็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นนะมันมีคนเคลื่อนไหแต่มันจะเริยกยึดมั่นถือมันว่าอันนั้นคืออุปทานขาของเรารูปของเราอันนี้คืออุปทานนี่นมันจะเรียกว่ามันจะตกไปมันจะบาดไป นี่คือถ้าเป็นเรื่องของร่างกายนะเรามาศึกษาให้ความจริงในนี้ย น, นะครัการปฏิบัติธรรมด้วยรูปแบบใดวทีใดก็แล้วแต่ให้ย้อนกลับมาเห็นว่าพี่เราหลงไปยึดว่ากายนี้เป็นของเราแล้วนะแล้วก็ถอนความยึดมากถึงมากว่ากายนี้เป็นของเรานะมันก็มีเจตเพียงว่าเออือกายนี้มันเจ็บกายนี้มันแก่สุดท้ายกายนี้มันก็ตายไปอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่สิงมันเหนียวกองกายนะก็คืออะไรเป็นใจใจนี้ เรียกว่าเหนียวแน่นมากการคิดว่าใจที่เป็นของเรานะมันเหนียวแน่นมากความคิดนี้นะเป็นของเราความคิดของเราถูกความคิดของเราดีหรือความรู้สึกความเกิดขึ้นแล้วก็อินกับความรู้สึกเคยกันเนาะเคยเนาะเวลามีความรู้สึกเสียใจแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงนะอ่อนใจนะเวลาสุขใจก็ ราเริงเต็มที่หัวเราเต็มที่เบิกบานเต็มที่เวลามีอารมณ์คามรู้สึกเกิดขึ้นกับจิตใจนะเราก็เข้าไปเป็นเต็มที่นะเมื่อไรที่เวลาสุขใจเราก็เป็นผู้สุขมันก็พร้อมที่จะเป็นผู้ทุกขนะ์เหมือนกันนะเหมือนกับเวลาเราโยนลูกบอลหรือลูกบาสเกตบอลขึ้นไปบนฟ้าสูงสูงนะพอมันตกลงมานะมันตกบนพื้นแล้วก็กระเด้งสูงเท่านั้น จิตใจเราก็เหมือนกันนะจิตใจเราพอราฟูมากๆนะฟูมากๆมันก็พลิกกลายเป็นแฝบงบหรือว่าห่อเหี่ยวได้ง่ายเหมือนกันนะเมื่อมันเกิดการฟูมากก็แฝงได้มากเหมือนกันมันขึ้นๆลงๆมากเหมือนกับบางทีเรารักใครมากๆพอเวลาคนที่เรารักนะทําให้เราทุกทําให้เราเจ็บเราก็เจ็บมากนะ แต่ใครที่เราไม่ค่อยให้ค่าไม่ค่อยให้ราคาข้อเจพูดหรือทำร้ายเราเราก็จะเจ็บบ้างแต่ก็ไม่มากนะักเท่ากับคนที่เรารักคนที่เราให้ค่ามากนั้ น, นหลายคนก็มีคนรักหลายคนก็มีคนที่เราให้ค่าคนที่เราให้ความสาคัญเนาะเราต้องระวังตรงนี้เรียนรู้จากที่จะสัมพันธ์แบบไหนไม่ให้ความรักความสําคัญ์นั้นมันจะพลิกกลายเป็นความทุกข์นะ เวลานี้เขาจะทาให้เราสุขใจมีความพึงพอใจแต่ต้องรู้ทันใจของเราเวลามีความไม่ระบายใจเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเวล า, าอวบมันจะพิช น, นะกลายเป็นความโกรธความเกลียดนะความทุกข์หนักๆ น, นั้นเราต้องรู้ทันตั้งแต่ตอนที่ยังสุขใจนี่แหละนะอย่าให้มันฟูมันสุขมากนะเมื่อมันทุ๊ขมันก็จะเป็นทุกข์มากอันนี้คืออุปทานการยึดมั่นถือมั่นนะในใจของเราเองนะ ในการให้ค่าอารมณ์นะนะั่นแหละที่จริงเป็นเรื่องของอารมณ์นั่นแหละนะถ้าเราเห็นอาการของอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับจิตนะมันเข้าแค่เกิดขึ้เนเฉยๆเนาะไม่เป็นไรหรอกเราก็แค่รู้ทานว่าวตอนนี้จิตมันมีความสุขนะรูจจ้จักกันเนาะจิตมีความสุขทุกคนก็เคยมีบางครั้งจิตก็มีความทุกข์บางครั้งจิตก็สงบบางครั้งจิตก็ฟุ้งซ่าน แล้ก็เห็นเพียงแค่อ๋ออาการขอนจิตมันเป็นแบบนี้เ น, ะนาะถ้าการมังจิตมันเป็นเช่นนี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆของมันเนองเนาะเราก็แค่สังเกตรหรือทานว่าอ๋อจิตมันเปลี่ยนแปลงของมันเนองอเมื่อไรที่เราไปยึดว่าจิตนั้นความคิดนั้นอารมณ์นั้นเป็นเราเมื่ะนั้นเราจะโดนเขาลากไปนะโดนเขาลากไปนะอพอโดนลากไปก็ไปเรียก ว, ว่าตนผู้ยิ่ผู้ยาบนะ ทำร้ายที่ตกบ้างทำร้ายทุ่บ้างเรามาเห็นนะเรามาฝึกให้เราเห็นว่าจิตนะมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งนะแล้วเราไม่ไปยึดกับจิตเนะี่ยมันเป็นแบบไหนคืออาการการไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไปยึดก่อนนะแนบะเป็นธรรมดาแต่ยึดแล้วเมื่อมีสติรู้มันถึงวางได้นะนั้นเหตุปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ย มันไม่ใช่เกิดจากการที่เราสวดมนต์นะแล้วมันจะเข้าใจเองหรือเราคิดแล้วมันจะเรียกว่ามันจะทะลุเองมันเป็นไปไม่ได้นะมันต้องเกิดจากการที่เรียกว่ามีสติรู้เท่าทันว่าเมื่อไหร่ที่เราไปยึดเมื่อนั้นมันจะวางตัวมันต้องรู้เท่าทันนะการรู้เท่าทันการยึดมั่นเผือมั่นเนี่ยเป็นคุณแกที่สําคัญที่จะทําให้เรา ออกจาการยึดมั่นถึงมั่นได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเรายึดมั่นถึงมั่นอะไรเพราะฉะนั้นมันจะมันจะวางไม่ได้หรอกนะเหมือนคล้ายๆปมเชือกที่ผูกมัดดัดติงกันเนาะถ้าเราไม่รู้ว่าปมนั้นมันมัดตังแบบไหนมันจะต้องแก้อย่างไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถแก้ปมนั้นได้เหมือนแม่กุญแจที่ล็อกไว้ถ้าเราไม่หา ไม่สามารถหาลูกกุญแจที่มันสวมเข้าได้พอดีนี่มันไม่สามารถถอนได้นะลูกกุญแจที่จะทําถอนความทุกข์ออกจากใจของเราคือะไรเรารู้ธรรมอารมณ์ของกายอารมณ์ใจในปัจจุบันของเราเนี่ยแหละมันจะนํามาตื้นความถอนความทุกข์นะในใจของเราเนาะอันนั้นที่จริงทุกคนที่ปฏิบัติธรรมเนาะจะเป็นกราจะเป็นโยกก็ดีนะนะ จะเป็นใครก็แล้วดียังมีความหลงเนี่ยเป็นธรรมดาทุกคนก็หลงนะมีค่าเท่ากันแต่กลไกที่สําคัญที่จะให้เราออกจากความหลงได้คือเราวสติรู้สึกตัวนะรู้ว่ามันหลงไปเนี่ยเมื่อ น, นั้นมันจะเลิกหลงนะต้องถ้าเราไม่รู้นะมันจะไม่เลิกหลงนะมันจะหลงตั้งแต่ตื่นจนทั้งเราหลงตั้งแต่เด็กจนทั้งแก่แล้วก็ตายนะ ถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมนี้จะหลงตั้งแต่เด็กจนทั้งตายอเป็นแบบนี้นะแล้วก็ไม่ใช่ชาตินี้นะชาติต่อไปก็จะหลงอีกนะจนไม่รู้ว่ากี่พักกี่ชาติที่หลงแบบนี้นะนั้นวิธีการของเราที่จะทําให้ความหลงมันสั้นก็คือพยายามมีสติรู้ตัวรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวในที่นี้คือตัวเนี้ยก็มีสองส่วนก็คือกายกับใจ เรารู้ตัวคือเรารู้ว uh ่ากายตอนนี้กระลังทําอะไรนี่คือการรู้ตัวเหมือนกันนะรู้ตัวว่ากายตอนนี้ยกระดังนั่งก็คือการมีสติรู้ตัวรู้กายตอนนี้ว่ากระลังเคลื่อนไหวมืออันนี้ก็คือมีสติรู้ตัวรู้กายว่าตอนเนี้มันหายใจเข้าหรือหายใจออกนี่ก็คือความรู้สึกตัวรู้ว่ากายนี่กําลังท้องกําลังพองท้องกําลังยุบ หรือว่ารู้ว่ากายเนี่ยมันปวดขามันปวดหลังนี่ก็คือความรู้ตัวคือรู้ว่ากายมันเป็นแบบไหนแต่ใจไม่ได้เป็นด้วย น, นี่คือความรู้ตัวนะคือเห็นกายก็เป็นโดยมีใจที่มีสติเพียงแค่ผู้ดูอันนี้คือความรู้สึกตัวเรื่องเรืกายนะเรียกว่าถ้ า, าภาษาพากเรียกว่ากายยันนุ ป, ปัสนานสติ ป, ป, ปัฐานนะอันนี้คือเรารู้ตัวว่ากายยังทำอะไร กายมีอาการไหนเป็นเพียงเี่ผู้รู้ก็ ด, ดูกายก็เป็นไปนะอีกส่วนหนึ่งก็คือการรู้ใจนะใจนี่ก็มี3มส่วนใหญ่ๆเรียกว่าเวทนาเวทนาเวทนาก็คือความสุขความทุกข์หรือว่าความเฉยจิตตาจิตก็คืออาการของจิตนะจิตที่ฟุ้งต่านบ้างจิตที่ เรียกว่ามีความวิตกกังวลบ้างหรือว่าจิตที่เป็นปกติเฉยบ้าง น, น, นี่คืออาการของจิตหรือจิตที่คิดปุงแต่งบ้างนี่อาการขางจิตนะอันนี้คือเราสามารถรู้ได้นะที่จริงคนเราคิดทั้งวันนะโยมนะฝันก็ยังคิดเลยนะอ่าตอนนอนก็ยังคิดที่เรียกว่าฝันะนะนะมันคิดทั้งวันทั้งคืนเนะห้ามได้ไหมมีใครห้ามคนคิดได้ไหมเนีมีใครฆ่าตราได้ไหมว่า อีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไระ น, นั่นอันเนี้ยเราเห็นแล้วว่าความคิดเป็นสิ่งที่ห้ามเป็ไม่ได้คาดเราก็ไม่ได้หรือบางทีอยากจะให้อยู่นานๆที่ไม่ได้นะเออตอนนี้กำลังคิดออคิดเรื่องงานกาลังทะลุกูโฟดึงดดนะกะว่าถ้าคิดอีกครึ่งชั่วโมงนี้มันเสร็จทะลุเสร็จแน่งานที่จะเขียน สิงที่จะทำเนี่ยคนก็รนะู้แน่แอบบางทีก็เอาแน่ไม่ได้นะมันก็เลิอคิดกับมันเองนะไปเข้าห้องน้ํากลับมาคิดต่อไม่ได้ละหรือเคยไหมแอบมีความสึเกเสีย ด, ดายตอนฝันเนะาะตอนฝันตอนอนรู้สึกตัวว่าฝันพอตืนน่นขึ้นมาโอ้ประดังฝันค้างอยู่นะไป น, นอนต่ออาจจะฝันต่อ <c ười> เรื่องเดิมมันจะไม่จบเลยนะก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหม นี่คืออะไรคือความจริงที่เขาสอนว่ามันคาดการไม่ได้นะบังคับก็ไม่ได้เรามาเรียนรู้ความจริงนี่แหละนะอที่จริงคนเราทุกว่าอะไรเพราะเราไม่ยอมรับความจริงทําแบบกำบั้นทุติยนั้นนะธรรมะเป็นแบบกำบั้นทุติจริงๆนะเราทุกก็เราไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแค่นั้นแหละแต่ถ้าใจมายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับกายใจนะมันจะไม่ทุกข์นะเช่น กายมันเจ็บเนี่ยเราก็แค่ยอมรับว่าการเจ็บใจมันคิดใจมันฟุ้งซ่านใจไม่สงบก็แค่ยอมรับว่มันคิดมันฟุ้งซ่านไม่สงบไม่ต้องทําอะไรกับมันนะเดี๋ยวมันก็เมื่อสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความไม่สงบก็หายไปเองนะแต่ถ้าเรื่องของกายนี่ยอมรับแล้วก็ต้องแก้ไขนะต้องดูแลต้องบำบัดปัดอยู่เหมือนกันะแต่เรื่องของใจเนี่ยนะแค่เห็นมันเฉยๆธรรมดาเนี่ย หลวพอเทียนหรือหวงพ่อมังียนท่านจะบอกว่าให้รู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆนะซื่อๆนี่ทั้งทั้งภาษาอังก่ษซื่อๆนะมันก็ภาษาไทยจะซื่อๆนะเอิ้มแม่เกงไปนิดหนึ่งนะคือโดยจะแปลไทยเป็นไทยก็ไรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆนะก็คือรู้แล้วก็กับเออก็แค่เห็นว่ามันเกิดขึ้นนะจิต จิตที่รู้ใหนะ้แบบจิตเฉยให้ซื่อธรรมดานะแต่ซื่อที่นี่ไม่ใช่แบบซื่อบือ้อนะไม่ใช่เรื่องอะไรนะซื่อแบบแบบจิตที่แบบอ๋อก็นะนะแค่เห็นสักจะว่าเห็นได้ยินก็สักจะว่าได้ยินนะรู้สึกสก็สักนะจะว่ารู้สึกนะเหมือนมายุจริงที่จริงจิตที่รู้ซื่อเนี่ยเรามีอยู่พวกเรามีอยู่เคยสังเกตไหมอย่างเช่นเวลาบางที เรานั่งรถไปเห็นวิวสองข้างๆาก็เฉยเฉยธรรมดานะธรรมดานนี้เคือจิตที่มันซื่อๆนะนะเห็นก็เฉยเฉยได้ยินก็เฉยเฉยรู้สึกแบบไหนก็เฉยเฉยเฉยแบบรู้นะไม่ใช่เฉยแบบยี้รู้ตัวนะก็เห็นนะอ็เห็นนะไม่เป็นไรได้ยินก็ตัดสินว่าได้ยินไม่เป็นไรเนี่ยรู้ซื่อๆนะแต่ส่วนใหญ่เราจะซื่อกับสิ่งที่เป็นภายนอกตัว อะไรที่มันไม่ค่อยมีมีค่ามีราคากับตัวเราเราก็จะซื่อได้แต่พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยมันจะค่อนไม่ได้ซื่อนะคนอื่นเขาจะทุกข์าซื่อได้เป็นอะไรเห็อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ดูในโทรทัศน์เนี่ยเขาทุก์แล้วก็ซื่อได้ถ้าไม่ใช่เป็นเพื่อนเราเป็นญาตเราแต่พอเกิดกับตัวเราเองเกิดกับคนรอบตัวเราเองมันจะซื่อไม่ได้ใช่ไหมมันจะกลายเป็นคันนี้คือของเรา ตัวเราอันนี้จะเป็นญาติเราเพื่อนเรามันจะอดที่จะเป็นเราไม่ได้ดังนั้นเราต้องฝึกกลับมาเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างซื่อๆในกายในใจของเราเนี่ยแหละเกณฑ์สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยออมันเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองเนาะท่านาสตราจารยพุทธท่านบอกว่าเป็นเช่นนั้นเองอ่อกายก็เป็นเช่นนั้นใจก็เป็นเช่นนั้นเห็นความซื่อๆที่เกิดขึ้นกับกายกับ ใ, น ใ, นใจนี่นแหละ เป็นสุดยอดองธรรมะนะอค่อยๆสุกไปนะอันนี้คือเรียกว่าบอกบอกเป้าหมายไว้ให้พวกเราได้เดินมาสู่เป้าหมายนะั่นก็คือการเห็นอย่างไม่เข้าปเป็นเป็นะเห็นอย่างไม่เข้าปเป็นเป็นเห็นจิตเห็นกายโดยอาการที่เรียกว่าซื่อๆไม่เข้าเป็นกลุ่มแสงเทากับาวของพ่อกําเขียนแล้วบอกว่าเป็นผู้ดูนะไม่เป็นผู้เป็นนะเป็นผู้ดูดูอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้อันนี้คือสิ่งที่ ที่เราจะฝึกนะอันนี้คือสติที่จะช่วยให้เราเห็นที่ต่างๆพวกนี้ได้นะโดยการที่เรียกว่าไม่เข้าเป็นๆนะนี้คือถ้าเราฝึกมันจะเป็นชนนี้คือการเป็นสติจะเป็นเช่นนี้แต่ที่จริงก็เราก็ยังสามารถที่จะเรียกว่ามีสิ่งที่จะช่วยให้เราเนะข้าถึงเนะข้าถึงความมีสติได้นะมันมีอย่ที่เรามันมีหนังเรื่องนึ่งนะ ที่เรื่องฟางซาร่ามันเป็นเรื่องของเรื่องราวของพระพิสุ่ะชาวพิเบเตรุ่นนึง่งแต่ามาไม่ได้ตัวเองนะักคนเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของพระที่บวชตั้งแต่เป็นสามเณรบวชใจยุ่นน้อยอบวชหลายสิบปีแต่ท่านก็ยังยังได้ว่ายังวางเรื่องการอารมณ์ต่างๆไม่ได้นะก็มีความทุกข์มากนะแต่เนิ่นแต่จะไม่เล่าเรื่องราวของหนางให้ฟังนะจะมีม มันมีคําถามหนึ่งที่ที่หนังก็ถามก็าถามว่อาอะไรก็ถามว่าถ้าเราถ้ามีน้ำํำหยดๆหนึ่งเนี่ยเราจะรักษาน้ําหยดนีไว้ได้อย่างไรรักษาได้ไหมมีน้ําเย็นหยดจะรักษาน้ําไว้อยู่ตลอดไปได้อย่างไร ไม่ต้องรอฟังตอบนะเสร็จสอบให้อ่นะนะก็คือย่างนี้นางเขาบอกว่าก็เอาน้ําหยดหนึ่งนี้นะไปเทรวมลงในมหาสมุทรนะน้ำหยดหนึ่งหยดนี้ก็จะรวมกับน้ําอีกร้านร้านหยดนะเป็นมหาสมุทรใช่ไหมก็แยกไม่ได้แล้วก็แบบน้าหนึ่งหยดกับน้ําในมหาสมุทรกลายเป็นเนื้อเดียวกันอคือนะเขาต้องการจะชี้ เ, เห็นว่า จริงคือก็อการเห็นว่าความเป็นพระเนี่ยนะหรือว่าหรือจริงเราถึงนับปฏิบัติธรรมแล้น ะ, นะก็คือว่าพอบางทีเรจะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้เราเป็นพระรูปเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่มีผู้ช่วยไม่มีเพื่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนกิเลสครอบงาโอกาสที่เราจะออกนอกทางมันมันเป็นไ ป, นปนได้มากถ้าเราไม่มีผู้ส์ที่จะเป็นตัวใช้ค่าเป็นตัวช่วย ตัวแนะนําหรือว่าตัวคนตักเตือนให้เราไม่ออกนอกุลนอกทางหรือว่าให้เราเดินในในศีลในธรรมยิ่งขึ้นไปเพรดังนั้น น, น้ํำมึนหยดพอเข้าไปรวมกับน้ำสมุนธเนี่ยมันก็มีพลังมีกำลังเขาอบลุ่นนะพระที่อยู่ในหมู่สงฆนะ์อยู่ในวัดหรือว่าอยู่กับเพื่อนพิสูจนผู้เพื่อนพเมจันด้วยกนนันเนี่ยก็จะทําให้มีความอบอุ่นในการเดินทาง มือนอย่างที่พวเราได้สวดบทที่เรียกว่านะการัญมิตรนะนะถ้าใครที่อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นการัญมิตรนะหรือสมัยนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่ถ้าเราอ า, อาศัยหมู่งศกเป็นการัญมิตรแล้วนะเมื่อนั้นเราก็จะค้นจากความโศกความน้ําไยลลาพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นตัวช่วยนะนะแต่จริงญาติโยมนะ อาจจะไม่ปวดเป็นพระไม่ได้ปวดเป็นแม่ชีที่จริงถ้าเราอาศัยกันณยมิตรนะก็คือมิตรที่มีความตั้งใจที่จะเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือว่าพัฒนาจิตใ จ, จหรือว่าที่จะออกจากความทุกข์นะถ้าเราอาศัยกัณยมิตรพวกนี้รวมกลุ่มปฏิบัติธรรมร่วมกันหรือมีปัญหาในการปฏิบัติเราแนะนํากันได้หรือป้ารณาเป้านาก็าาคือ การกล่าวหรือว่าการบอกกันว่าถ้าเห็นสิ่งที่เราตกท้องสิ่งที่เราไม่ดีไม่งามอย่างไรให้แก้ไขให้ตักเตือนได้เนะี่ยคือการปรองากันปริญา ม, มิตรพวกนี้แหละจะเป็นตัวช่วยให้เราเรียกว่าไม่หลงทิศผิดทางนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราได้เดินทางกันเนาะท่านมาต้นเชื่อว่าพวกเราหลายคนก็คงเนี่ยอาศัยกันในามิตรเนาะ อย่างน้อยก็ในวันนี้เนาะมาเป็นการมิตรกันในการที่เรียกว่าร่วมกันปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นความตั้งใจดีของเราเพียงคนเดียวเนี่ยพอเรามารวมกับความตั้งใจดีกับเพื่อนของเราหรือว่าการแนะนำํำนะจากครูบาอาจารย์จะเป็นตัวนําทางให้การปฏิบัติเนี่ยแหละไปฝูดจุดหมายปลายทางได้นะอันนี้คือการมิตรนี่สามารถทำซึ่งที่สุด ของผมไมาจ์ไดนะ้แต่ขณะที่เราอยู่คนเดียวเราก็อาศัยสตนะิอาศัยปัญญาอาศัยการพิจารณาอาศัยการไตรตรองดูว่าอะไรควรทําไม่ควรทําเป็นตัวคอยเตือตัวเองนะก็อาศัยทั้งตัวของเราเองในการเตือนตัวของเราเองอาศัยทั้งปัญญามิตรอาศัยครูบาอาจารย์เป็นตัวขีดนําเป็นพวตัวไฟตัดเอื้อมเราเนะี่ยเป็นการเดินทางเนาะสู่ จุดหมายปลายทางของเราคือบ้างฝนนิพพานอันนี้คือสิ่งที่ที่ชาวพุทธพวกเราควรจะร่วมกันในฐานะที่เราเกิดในช่วงที่มีพุทธเจ้าทั้งปัจจุรู้เนี่ยให้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะ2อันกรอปีผ่านไปแล้วไม่รู้จะเลื อ, อสักเท่าไหรนะ่นะไม่มีใครคาดได้บางคนบอกว่าปัฒนาพุทธเจา 5, ้า 5,000 ันปีถ้าเทียบกับตอนนี้ก็เหลือแค่สองพันสี่ร้อยปีนะ แต่ก็ไม่แน่นะมาก็ไม่รู้หรอกไม่มีใครรับประกันหรอกนะว่าจะอยู่นานเท่าใดเพราะจริงไม่มีกล่าวในปฏิกิรกมันเป็นคําคําอ้างในคำพีชั้นดังมาเท่านั้นแต่พระเจ้าท่านตัดไปแบบนี้ท่านตัดว่าถ้าตาบใดที่ยังมีบุคคลที่จเจ ร, ริญอาณานิคมมีองค์แปดอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเดินทางสายการอยู่ตานั้นโลกจะไม่ว่าจากพาระลรหัน จะห้าพันปีจะหมื่ปีจะแสน ป, ปีถ้ายังมีคนปฏิบัติอยู่นะโตก็จะไม่ว่างจากผ้าหั่แต่ถ้าอีกสิบปีขึ้นหน้าไม่มีผู้เจริญชนินมักในองคแปดแล้วตามนั้นก็ตาจนะก็หมดไปแล้วนะแล้วก็หยัดเวรองชาติหน้านะเดีนะ๋ยวไปคิดหวังบางคนปฏิบททนะัติทหน้าหวังไปเกิดในยุปคประีทานชาตินี้รอในะยุคพระศรีอาณนะาจะชาติหน้าก็ไปรอพุทเจ้าอมปันกันแหละนะ มันรอรอรอมันเดียวเดียวเดียวนะไม่ทําในทันทีนะเราต้องทําทันทีนะแต่จะได้ผลการใดก็แค่นั้นเนี่ยถ้าเราอาศัยว่านี่นะชาตินี้เป็นโชคดีของเราที่เกิดในยุคพระพุทธเจ้านะสมณะโคดมนะอ่นะสาสักระยะวงนี่แหละนะให้เราได้ทําความเพียรของเราดในการฝึกเจริญสตินะเพื่อให้เกิดปัญญาเันนียเราจะไม่เสียชาติที่เกิดมาในสมัยที่เรียกว่า มีพุทธเจ้าอยู่เนี่ยถึงจะเป็นชาวพุทจริงๆนะนะหรือใครจะไม่บอกว่าเป็นชาวพุทก็ได้แต่ถ้าปฏิบัติตามคำสอนหรือปฏัติตามความจริงของธรรมะอยู่อันนั้นแหละก็มีธรรมะแล้วก็สื่อไม่ทุกแล้วดังนั้นะธรรมะก็เลยเป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ทุกคนนะจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็สามารถปฏิบัติได้นะโดยการปฏิบัติในการ ที่กายที่วาจาของเราเนี่แหละมีสติคอยรู้ทันรู้ทันความเป็นไปของกายวิสติคอยรู้ทันความเป็นไปของใจเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูนะไม่เข้าเป็นเป็นกรบวนการต่างๆอันนี้คือจะเป็นหนทางที่จะทําให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเข้าใจความจริงของกายของใจเมื่อเกิดปัญญานะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิมุตติก็คือ ค, อความหมลุดพ้น สุดพ้นจากอะไรสุดพ้นจากอุปทานการยึดมัน่นถือมั่นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของเราอันนี้คือจุดหมายปลายทางก็คือฝึกสติแล้วก็สมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วเกิดความวิมุตตสุดพ้นสุดจากการยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของเราอันนี้คือหอนทางแห่งการบ้นลุทุกเ น, น, นาะ แต่วันนี้พี่รู้มีคนใหม่หลายคนไปฝึกเจริญสติแนวทางเราก็เรียนไหมมีใครยังไม่ได้ฝึกเยอะไหมให้ดนระมาณเบครึ่งหนึ่งเนาะเกืครึ่งหนึ่งแต่เคยได้ยินอยู่เนาะเคยได้ยินก็จะเกิดความสนใจมามาฝึกกันก็มีทั้งผู้ใหม่ผู้เก่าที่นี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะในบ้านฟาร์มที่แยกวัฒนธรรมตัดส่วนแบบนี้ผู่เก่า ประมันชั้วหนึ่งตู้ใหม่ประมาณั่วหนึ่งเบียดเบียนกันไปนะเดี๋ยวจะให้พระจันทตุ่มนะท่านแนะนำเรื่องการเจริญสตินะให้เพ่อพวกเราได้ดูการรับประาปฏิบัติเพื่อสงบเดี๋ยวเราหัับเนี่ยหับเจริญสติ เือการ wow. รู้ซื่อๆอย่างที่พี่ี่พ่าจารย์โนทบอกว่าการรู้ซื่อๆนะสุดยอดเลยนะรู <measures> <sm all and rubbish> ้ซ well ื่อๆก็ธรรมดาเนี่ยพวกเราทุก <arthy> วันนี้ถ้าเราสังเกตนะเรามักจะไม่รู้ซื่อๆนะเราจะรู้แล้วก็คิดคิดตามไปรู้แล้วก็คิดสังเกตามไปสรุปเอาเป็นว่าอย่างที่เราเข้าใจอย่างนี้นะครับ วันี้ก็เป็นสิ่งที่นั้นเลยว่ายังไม่รู้ซื่อๆนะใช่ไหมครับเอ่อแบายังไงเราถึงจะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นทํายังไงเราถึงจะมีสติคอยรู้ความเป็นไปของกายเราคอยรู้ความเป็นไปของใจเราทำยังไงเราถึงจะได้จเจริญอริยมรรคในองค์แปดจริงๆทั้งหมด ทั้ตรงนี้ดูเหมือนกับต้องรู้้าหลายอย่างนะะต้องทําหลายอย่างมากเลยจริงๆแล้วก็ เ, เรียกว่าแค่ทำความรู้สึกตัวอย่างเดียวเลยนะฮะจากแค่ทำเท่านี้เองเดี๋ยวมันจะขยายผลไปทีละเล็กทีละน้อยนะฮะหลวงพ่อเทียนนี่ยที่เป็นเข า, าเรียกว่าอาจารย์ของหลวงพ่อต้มเขียนนะครับหลวงพ่อตั้มเขียนเป็นอาจารย์ของพวกเราอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ย ก็ถ่ายทอดกันมาก็ถานทอดวิธีการเจริญสติเนาะเมื่อกี้พระอาจารย์น้องก็บอกว่าเนาะมีสติคอยรู้ความเป็นไปของการเราคอยรู้ความเป็นไปของใจเราเท่านี้เองพอเลยเนาะเนี่ยเราดูฟังเท่านี้เองนะฮะเนี่ยปรากฏว่าเครื่องมือที่จะให้รู้เนี่ยมีมีครบแล้วอยู่ในตัวเรานะมีสติใช่ไหมฮะนี่ก็มีกายเรามีใจเรา เสร็จแล้วครบเลยเพราะฉะนั้นนี่คือตรงเนี้เครื่องมือมีพร้อมแล้วเพียงแต่ว่าเราอ า, าใช้เครื่องมือนี้นะอใช้เครื่องมือนี้ต้องวังเรามีเครื่องมือนี้อยู่แต่ว่าก็เรียกว่ า, เร า, า, า, าเราใช้ไปตามสัญชาตญาณว่าพอเราใช้เป็นตามสัญชาตญาณก็จะสเปกสปะสักหน่อยนนะฮะจริงจริงอริยมรรคไม่องแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมากไปกว่า การที่จะบอกแบว่าให้เรารู้จักแบบว่ า, วามองเห็นตามความเป็นจริงรู้จักพูดดีรู้จักคิดดีรู้จักทําดีรู้จักแบบ้่ า, าจเจริญภาวนารู้จักจเจริญสมาธินนยายอย่างเงี้ยนะฮะอยคือถ้าหากว่าเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครัเมื่อกี้อาจารย์ู้จะบอกว่าอาจารย์บอกไปไหมว่าตรงนี้โองหลังจะไม่ห่างจากพระอรารันต์คว่าพระอาหารต์เพืออะไรคือคนที่ ไม่ถุกนะฮะพระที่ไม่ถุกตรงนี้ยเราเห็นเรามาเริ่มต้นกันมีเครื่องมือต้อมนะฮะเราลองดูกันเราเริ่มต้นจากการที่กายเราใจเรานะมันก็สติเรานี่หลวงพเตียนบอกว่าให้เราอาศัยความเพื่อนใหม่เนาะเป็นการอ่าเขเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการ จเจริญภาวนาหรือเป็นการเป็ น, มมนเครื่องมือในการเจริญสตินะอาศัยความเคลื่อนไหว่นกาเราลองามีข้างเนึงนะฮะวางไว้บนขาสองข้างก็ได้นะข้าง น, นะฮะนี่หลวงพ่เตีนจะบอกว่าให้เรารู้สึกนะรู้สึกตัวความรู้สึกตัวตรง น, นี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะแล้วก็ถ้าเราเปึกความรู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวนะ ลองดูนะฮะลองดูาเราติ้งมือแต่แข่งขึ้นนะฮะติ้งมือคว่ำลงนะฮะติ้งมือแต่แข่งขึ้นนะฮะติ้มือคว่ำลงนะแตะแข่งขึ้นคว่ำลงนะเราเนาะในขณะที่มือคว่ำอยู่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวนะเวลานะฮะแต่แข่งขึ้นเรารู้สึกนะมีมีความเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะเคลื่อนไหวเสร็จก็หยุดนะ ใช่ไหความลมนะฮะก็มีความเคลื่อนใหวอีกมีความเคลื่อนไหวมีความเคลื่อนไหวนะฮะเรารู้สึกได้นะรู้สึกได้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไอยู่นะฮะถ้ามือวางไม่ได้ใช้วก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรมือวางไม่ได้ใมือก็อยู่ตรงนี้นะก็รู้สึกได้อยู่นะฮะแต่พอเริ่มมีความเคลื่อนไหวตรงเนี้ยเนี่ยความรู้สึกแบบนี้นะแบบว่าเป็นความรู้สึกที่เราเรารู้นะ ก็เรียกว่าเรารู้สิ่งนี้เนี่ยก็เลยกว่ารู้ด้านเฉพาะตงนะเราก็รู้นะเรามีความเคลื่อนไหวของเรารู้แบบนี้แต่พอเวลาที่เรารู้แบบนี้ป๊กเนี่ยสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือนะไรอาจจะมีความคิดแต่ไปรู้ไปทาไมรู้เท่านี้หรืออะไรแบบนี้นะอันนั้นนะไอ้ที่ไปทําไมเท่านี้หรือนะก็เรียกว่าอันนั้นมัเกินละมันไม่ซื้อละนะฮะอย่างเง้ยเริ่มไม่ใช่รู้ซึ้งละ เนี่ยตรงเนี้ยฮะมันก็คือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเรามีทีสใย่เลยที่มันจะคิดนะฮะคิดเอาต่อไปแต่ว่าเราไม่ยอมหยุดอ ย, อยู่แค่เพียงรู้ซื่อๆนี่ตรงนี้หลวงเทียนก็เลยนะฮะช่วยช่วยให้พวกเราเนี่ยได้เกิการรู้ซื่อๆในการที่เราเนี่ยนะหลวงเทียนก็เรียกว่าออกแบบวิธีการเอาไว้ว่าเป็นการก็เรียกว่า สร้างจังหวะสิ่จังหวะนะฮะเรับมือซ้ายมือขวามาบข่านะฮะดูดูดูาจะโน้าจะบนะฮดงข้านจากโอพัสนะะดูดูกันนะฮะมือมาไมเป็นขาคนที่ยังไม่เคยนะฮะลองดูจ okay. ังหวดจังหวะนะมีจ <aunt ie> ังหวดเคลื่อนมีจังหวะบิดลองือนะฮะั้นลิกมือวาตะแคงขึ้นนะฮะ ยกขึ <ing> ้นนะฮะวามือขวาเบาๆมาที่ท้องิกมือซ้ายจะแข็งขึ้นยกขึ้นนะอลงทับมือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นนะฮะยกออกข้างข้างนะมาผลข่าวความยอมเลื่อนมือซ้ายขึ้นยกออกข้างข้างมานลข่าความยมนะฮะจะมีจักหวะะมีจังหวะเลื่อนมีจังหวอยู่นะฮะ พมือวามจะแข็งขึ้นยกขึ้นนะฮะเราทําต่างกันนะวางไว้ที่ท้องพลิกมือซ้ายจะแข็งขึ้นยกขึ้นวางไว้ที่ท้องเลื่อนมือขวาขึ้นยกออกข้างข้างมาบนข่าความลมเลื่อนมือซ้ายขึ้นยกออกข้างข้างมาบนข่าวความลมพลิกมูอขวาจะแข็งขึ้นยกขึ้นนะฮะวางนะไว้ที่ท้ท อ, ขขทท อ, อง พลิกมือซ้ายแต่แขนขึ้นยกขึ้นวางไว้ที่ท้องเดินมือขวาขึ้นที่หน้าอกยกออกข้างๆวางบนขาคว้างลงเดินมือซ้ายขึ้นนะฮะยกออกข้างๆวางบนขาความลงพลิกมือขวาแต่แขนขึ้นยกขึ้นนะฮะวางไว้ที่ท้องพลิกมือซ้ายแต่แขนขึ้นยกขึ้นนะฮะทับมือขวา เลื่มือขวาขึ้นยกออกข้างๆวางบาเข่าความลมเลื่มือซ้ายขึ้นยกออกข้างๆวางบาเข่าความลมลงทำดูนะฮะลองทำดูให้เป็นจังหวะเป็นจังหวะนะฮะเราดูตามนะฮะเราดูตามเราเริ่มต้นที่มือซ้ายนะฮะแล้วก็มาพับไว้ที่ท้องแล้วก็เอ้เริ่มต้นที่มือขวาแล้มาพับไว้ที่ท้องแล้วก็ตามด้วยมือซ้ายเหมือนกันนะฮะมาพักไว้ที่ท้องเหมือนกัน แล้วก mm ็ต the ่อด้วยมือขวาอีกข้างหนึ่งนะฮะกลับมาที่ขานะแล้วก็ตามด้วยมือซ้ายทําเหมือนกันกลับมาที่ขานะตรงนี้เนี่ยนะฮะที่สําคัญคือจะมีจังหวะเคลื่อนมีจังหวะหยุดนะเป็นครั้งคงครั้งๆนะฮะมีจังหวะเคลื่อนมีจังหวะหยุดเป็นครั้งครงครางๆนั้งนั่คือตรงนี้นะฮะเราทํำดูเนาะลองรู้สึกนะฮะรู้สึก จังหเคลื่อนนะของการที่เราสร้างจังหวะตรงนีนะนะ้มีการเคลื่อนไหว ม, มีการพักมีการเคลื่อนไหว ม, มีการพักเป็นระยะระยะนะฮนะเองมือซ้ายมือขวาเท่านี้เองนะฮะแต่ว่าเราสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาเพื่อให้จิตเนี่ยนะฮนะได้มาคอยรู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวของงานการ มีกายที่เคลื่อนไหวมาใจมาคอยรับรู้ความเคลื่อนไหวอะไนั้นมีกายที่เคลื่อนไหวมาใจมาคอยรับรู้การเคลื่อนไหวอะไนั้นเราจะรู้สึกนะเราจะรู้สึกได้อันนี้นะเรารู้สึกแบบนี้นะอย่างนี้ยนัแต่เดี๋ยวปรากฏว่าในขณะที่เรารู้สึกไปมันจะมีการเผลอไปคิดอะไรอเช่นทำไปทําไมทําไมต้องทาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะรู้สึกได้่าเผลอไปคิด กลับมารู้สึกใหม่นะฮะกลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวตรงนี้ใหม่เคยไปคิดกลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวตรงนี้ใหม่การคิดนั่นคือคือการที่ทําให้เราเริ่มไม่รู้ซื่อนะฮะเริ่มไปแบบว่าแบบว่าทำไปแล้วก็คิดแตสารพัดอย่างเงี้ยนะฮะกลับมานะฮะกลับมารู้สเฉยๆกลับมารู้เฉยๆตรงนี้ใจกลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวเฉย ตรงนี้นะคือบคือเรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญของการหัดนะฮะหัดเจริญสตินะฮะหัดที่จะรู้จักรู้ซื่อซื่อนะฮะรู้ซื่อซื่อรู้โดยปราศจากความคิดลองดูนะครับลองดูลองดูลองทําดูแล้วลองสังเกตดูใครที่ยังทําไม่ได้นะฮะดูตัวอย่างข้างหน้าเนาะดูตัวอย่างข้างหน้า เราเริ่มต้นที่มือขวานะคฮะพลิกมือขวาต่แคงขึ้นนะฮะยกขึ้นมาวางไว้ที Is ่เท้านะฮะพลิกมือซ้ายแต่แคงขึ้นยกขึ้นมาทับมือขวาเดินมือขวาขึ้นนิดนึงนะฮะยกออกั้งข้างมาบนข่ยความหลงเดินมือซ้ายขึ้นนิดนึงเยกออกข้งข้างมาอนขายความหลงจบนะฮะเริ่มต้นใหม่ก็ ติิกม CO, in, AM, like. like. ือขวาตะแคงขึน uh ้นยกขึ้นนะทับไว้ที่ท <Mom> <out> <po oper> ้องนะฮะพลกมือซ้ายตะแคงขึ้นยกขึ้นมาทับมือขวาเลินมือขวาขึ้นนิดเดีนะฮะยกออกท้างข้างวางบนขามความหลงเดินมือซ้ายขึ้นนะฮะยกออกขางข้างวางบนทามความหลงพลกมือขวาตะแคงขึ้นยกขึ้นนะฮะประวางทับไว้ที่ท้อง ริกมือซ้ายตะแคงขึ้นยกขึ้นวางทับบนขวาเลื่อนมือขวาขึ้นนิดนึงย่อเบาข้างๆ้งวางบขนขาความลงเลื่อน ม, มือซ้ายขึ้นนิดนึงย่อเบาข้างๆ้างวางบนขาความลงคนที่ยังทําไม่ได้ลองดูตัวอย่างข้างหน้านะริกมือขวาตะแทงขึ้นยกขึ้นนะวางทับไม่พิถีพิถัน ในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยเมื่อการเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้นะเมื่อการเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้นะการที่เราตั้งใจรับรู้ความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยนะเราก็เป็นว่ามีใจนะคอยที่มาอยู่กับการเคลื่อนไหวของการมีใจที่จะมาคอยอยู่การเคลื่อนไหวของการอันนี้นะฮะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า ทำถูกต้องนะฮะทำทางเดียวกันในขณะที่ใจเนี่ยมาอยู่ความเครื่อนไหวของการเขาก็จะไม่อยู่กันตลอดไปเดี๋ยวก็ไม่จะเผลอไปคิดบ้างนะเราก็ไม่ตามความคิดนั้นนะฮะรู้ว่าเขาเผลอไปคิดก็กลับมารู้สึกใหม่เรามีจังหวะอยู่สิบสี่จังหวะเนาะจังหวะในช่วงนี้เขาเผลอไปคิดไม่เป็นอัเดี๋ยวก็มีจังหวะใหม่อีกครั้งหนึ่ง น, นนะฮะที่จะให้เ้า ใจที่ลอยไปเนี่ยกลับมานะไม่ต้องห่วงไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดว่าทผิดนะตรงนี้นะความเพียร น, นะนนในครั้งนี้นะฮะหรือความเพียรที่ถูกต้องที่เราทํากันเลยก็คือรู้ว่าคิดเนี่ยกลับมาจากความคิดใได้กลับมาตรงนัง้นกลับมาที่ความเคลื่อนไหวของร่างกายกลับมาที่ความเคลื่อนไหวของร่างกายรู้ว่าเผลอไปคิดนะฮะตรงนั้นนะฮะรู้ว่าเผลอไปคิด่็กลับมาใหมา่ กลมาให่ไม่ตามความคิดปนจจุบันตรงนี้ให้เราหักกันแล้วก็การหักอย่างเนี้ยจะทําให้เราเรียกว่าหักนู้ดซื่อหัดที่จะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะกลับมาเป็นผู้เป็นก็คือทักเข้าไปนะฮะอยู่ในความคิดพักเข้าไปทําตามความคิดอการที่เราทักก็ไปทำาตามความคิดก็คือความคิดใช่ไหมฮะ แบบว่ามุดหยุดใจขึ้นมาก็บ่นอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยตรงเนี้นยพอบ่นไปเนาะเราเองก็อื่นอักใจคนฟังก็อื่นอักใจพูกด้วยกันทั้งคู่เพราะนั้น น, นั่นคือตรงเนี้ยเนาะเราเนี่ยรู้ว่าคิดปุ๊บกลับมากรรู้ว่าคิดปุ๊บกลับมากอรกลับมาที่ไหนกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวเนาะหักตรงนี้เนาะหักตรงนี้เ้าเรียกว่าเหมือนการเราหักท่องสุดคูเหมือนหัท่องสุดคูอัะนะ ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบตึกหักเป็นแบบตึกหักสาคัญถ้าหากว่าเราท่องสูตรคูณได้เนี่ยการบวกแนี่ยลบลบคูณหารเนี่ยง่ายมากเลยนะครับนั่นก็คือตรงนี้นะว่าเราเนี่ยหักนะครที่จะกลับมารู้สึกตัวหักที่จะกลับมาให้ได้กลับมาจากไหนกลับมาจากการเผลอไปคิดเนี่ยนะครบวางไปเลยไม่ต้องรู้ว่าคิดอะไรแต่รู้ว่าเผลอไปคิดเมื่อไหร่กลับมาก่อนรู้ว่าคิดเมื่อไหร่กลับมาก่อน ตรงนี้นะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดให้เราเนี่ยได้หักหักตรงตรงนี้นะคนที่ยังทําไม่ได้นะให้ดูให้ดูที่ข้างหน้าเนาะให้ดูที่ข้างหน้าแบบว่าที่สําคัญก็คือให้เราตั้งใจมีสมาธิกับการดูถ้าหากว่าทํา เนหมทางพระอาจารย์ที่อยู่ข้างหน้ายกมือขวาก็ยกด้วยนะฮะวามือไปทางไหนก็วามือไปทางนั้นตามกัน น, น, นะนะไม่ยากนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คืออาจจะไม่คุ้นเคยความไม่คุ้นเคยการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไม่ค่อยได้อันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจจะทำนะตั้งใจจะทำตั้งใจจะดูแล้วนะแล้วก็ทมตาม ต น, นี้ม่ใช่เป็นยังนะมีบือซ้ายมีมุอขวามีการเคลื่อนไหว ม, มีสตินะเอามาคอยรับรู้นะว่าตอนนี้นะใจเนะี่ยมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของการไหมตอนนี้ใจเนะี่ยเพิ่งไปคิดหรือเปล่าเนาะตรง น, นี้เท่า น, นี้เองนะเรามีนะฮะส่วนที่เราจะต้องทำอยู่นะเกี่ยวข้องอยู่การใจสตินะแล้วก็สร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาเอา ใจมาคอยรับรูการเคลื่อนไหวตรงนี้นิดนิน่อยหน่อยเท่านี้เองนะฮะไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรที่มากมาเรารู้เรื่องมากมาเยอะแยะเลยบอกน้อยเลยแต่ว่าตรงนี้เ่เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราณปัจจุบันนี้ณข้างหน้านี้ไม่ใช่เรื่อใหญ ยังไมรูม้สึกเ่กระจัดกระจายนิดนึงนะมีมีความใกล้ตื่นกระจัดกระจายมีผ้าด่างยาวๆแบบยาแบบเฉชา้าเนิบนๆนะให้ทำแบบกระจัดกระจาย จะปลุกความรู้ตัวความตื่นตัวตัวรู้นะก็ทำให้ใจันรู้ได้วยนะทําใจมันจะทําให้พอเราทำเกษตรเปรี้ยงจิตมันก็จะตื่นเบิกบานขึ้น เ, เ, เรียนมันก็หยุด เ, เรีอนก็รู้หยุดก็รู้ ใจมันใจแข็งแข็งเกินไปนะหรือว่าเก่งเกินไปนะค่อนออกมานะผ่อนหายใจให้สบายวางใจสบายๆอย่าอีา้ยอย่าไปแค่แคเพียา์อย่าประคองใจนะหรือว่าแบบทาใจซื่อๆนะการรู้สึกซื่อไม่ใช่เป็นการทําใจซื่อๆนะ่ใช ไม่ต้องไปคล้องใดๆนะปล่อยทุกอย่างแค่เคลื่อนไหวเอเอต้องได้นะต ง, งแค่ยกมือ้รู้สึกยกแล้วก็รู้สึก ย, ยกขึ้นรู้วางดงรู้ยกขึ้นรู้วา ง, วงลนะางรู้นะธรราติราติชาชาธรรมชาติ ธรรมชาติธรรมดาทำทำเดินเนาะแต่บางทีมันเผลอไปเกรงเผลอไปเพ่งก็ก็แค่คลายใหม่คือเราตึกไม่ใช่ว่ามันจะถูกตลอดนะดีตลอดนะใช่ตลอดไม่ใช่นะเพียงแค่รู้ผ่านตอนที่มันไม่มันเกรงมันเพ่งไปหรือว่าเผลอไป จิตจะทำมาเป็นปกตนะิการเดินทางเนาะะมันก็มีถูกมีผิดมีเพ่งมีเผลอมีรู้มีหลบเราก็รู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึน้นมาให้เป็นไงไม่ต้องกลัวมันจะผิดไม่ต้องกลัวมันจะไม่ดีมันผิดก็รู้ว่าผิดมันไม่ดีมันหลบก็รู้มันนะไม่ใช่ประคองไม่ได้รักษา แค่เป็นแค่รู้ทั น, นให้ใจรู้ที่ปัจจุบันน่างสำคัญนะใจรู้ที่ปัจจุบันว่ากระดับมาะไรค<ม>ื อ, อมีอะไรเกิดขึ้นกับปลากับใจนีน้อรู้ที่ปัจจุบันที่ที่หลงเมื่อกี้ทำให้เป็นไร อีกครึ่งวินาทีข้งหน้าจะเกิดจะขึ้นต้องวางไว้ก่อนไม่เป็นไรนะมันยังไม่ใช่ความจริงความจริงที้เกิดขึ้นในปัจจุบันให้รู้ทันนะ